นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นพุทธวจนะทาวินัยจากพุทธโอษเรื่องไม่ได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือภิกษุทั้งหลายพรมจรรย์ น, นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือไม่ใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวาร มีใช่เพื่ออนิสงเป็นลาบสการะและเสียงสรรเสริญม่ใช่เพื่ออนิสงจะได้เป็นเจ้าลทัทธิหรือเพื่อคัดค้านลทัทธิอื่นให้ล่มลงไปและไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้ภิสษุน์ทงหลายที่แท้ปรมาจัยร น, นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละ เพื่อกลายกำหนัดเพื่อดับสนิทซึ่งทุก์นี่แลเรื่องทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกกับความดับสนิทของทุกพิสูจน์ทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคําอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพรามบางพวกยังกล่าวตูเราด้วยคําเทศเปล่าเปล่าปลีบ ไม่มีจริงไม่เป็นจริงคือที่กล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความชิบหายย่อม บ, บัญญัติละทิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสังสอนดังนี้ภิกษุตรงหลายสมณะและพระามบางพวกเหล่านั้นกล่าวตัวเราด้วยคำเทศเปล่าเปล่าปลิปลี ไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ปิกสุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัด น, นี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของทุกข์เท่านั้นปิกสุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เช่นนี้ แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความกุนเคืองโกรธเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิษุทิั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั่นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชม หรือเคลิ่มใจไปตามถ้ามีใครมาสักกะกระ็รบฉันเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้เรื่องคาของพระองค์ตรงเป็นอันเดียวกันหมด ภิสูจทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมพธิญาณจนกระทั่งราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวกันทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยปิสุดท้ายอันหนึ่งตถาคตกล่าวอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเรื่องหลักที่ทรงใช้ในการตรัส6อย่างราชกุมารตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันไม่จริงไม่แท้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 เพื่อกล่าววาจานั้นปิกสุดทั้งหลายข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะตถาคตมีความเอนดูในสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเรื่องสิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนามาสอนมีมากกว่าที่ทรงนามาสอนมากนะักมีครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกมไปไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แนวตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เราคำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมากเล่าขค่แต่พระองค์ผู้เริญใบไม้ที่พระองค์ทรงกคำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพระเจ้าค่า ปีกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนขอนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นนั้นเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งปรมจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความน่ายทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมและไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดังนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนปิสุตังลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เหตุให้เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่สุดทั้งหลายประเหตุไรธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนเล่าเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรมจันทร์เป็นไปเพื่อความนาย ใลรยกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงนำมากล่าวสอนเรื่องถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่ามาลุงกะยะบุตเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกศร อ, อันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตญาติสายโลหิต จึงจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาบุรุษนั้นกลับกล่าวเสียอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พรามเวชสูตรชื่อไหนโคตรไรธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศร อ, อยู่เพียงนั้นดังนี้ มาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมานี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคลบคลผู้กล่าวอยู่ว่าเราจะยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จกแก้ปัญหาทิฏฐิสิบประการแก่เราเสียก่อนและต ถ, ถาคต ก็ไม่พยากรปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกิจบุตรท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรโดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรรู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือความเห็นสิบประการว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรคือสัจจะที่ว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากร เหตใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมชนเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเรื่องคำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพราหม์ชื่ออคิเวชนะทูลถามว่า พระโคดมผู้เจริญท่านทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรคำสอนของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอคกิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้อันานึ่งคำสอนของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากคือมีส่วนการจำแนกอย่างนี้ว่า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 เราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งคําสอนของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจําแนกอย่างนี้แหละเรื่องลําดับของการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลั ก, กษณ์ปิจูตทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้เวทนาคือความรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง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 ปีกสุดทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ความเห็นคือทิฏฐิที่ปรารบในเบื้องต้นคือความเห็นที่เป็นไปในส่วนของอดีตทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อความเห็นที่ปรารบขันอันเป็นไปในอดีตทั้งหลายไม่มีความเห็นที่จะปรารบขันในเบื้องปลายคือที่เป็นไปในส่วนของอนาคตทั้งหลาย ย่อมไม่มีเมื่อความเห็นที่ปรารบขันในส่วนของอนาคตไม่มีความยึดมั่นรูปคลรมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลรมอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในชัญญาในสังขานและในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นพระจิตหลุดพลแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสดุงเมื่อไม่หวาดเสดุงย่อมปริณิพานเฉพาะตนนั่นเดียวเธะนั้นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้ว พระมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เรื่องผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นปีกสุดทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้น ปิสุทธิ์ายวิญญาณคือการรู้แจ้งซึ่งเข้าไปถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพูรณ์ได้ปิสุทธิหลายการรู้แจ้งคือวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาความรู้สึกคือเบญทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูญได้ริกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาความหมายรู้คือสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลิน เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้พิสุทธิทั้งหลายวิญญาณคือความรู้แจ้งซึ่งเข้าถือเอาความปรุงแต่งคือสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ได้ ปิจูตองหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะปัญญัดซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไปบุ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยภิจูตองหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่เธอนั้นละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมัน่น เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่คนทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เรื่อง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 ซึ่งเป็นเรื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระ ง, งับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่องอันเกษมนั่นคือที่พึ่องอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้เรื่องจงเจริญสมาธิจะรู้อริยสัจ ต, ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าก็รู้ได้ตามที่เป็นจริ ง, ซ, ง, รรรงซึ่งความจริงอันประเฉิฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเธอผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามที่เป็นจริงรเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นของทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิ เรื่องทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกช่วระยะเวลาจำเป็นปีกศุยทั้งหลายปเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอได้ควา้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปเมื่อพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกให้โดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็ประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้มือขวา ล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำข้อนั้นพระเหตุไรเล่าพระเหตุว่าเด็กนั้นแม้จะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงก็หวังความปลอดภยัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั่นเองครั้นเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้เรียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือ ไม่จำชี้จำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กคุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วค้นี้ฉันได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันตราบใดที่เธอยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาฮิริโอตปะวิริยะและปัญญาตราบนั้นเราก็ยังจะต้องตามคุ้มครองเธอผู้นั้น แต่เมื่อใดเธอได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยยิริด้วยโอตตปะด้วยวิริยะและด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในเธอผู้นั้นด้วยคิดว่าบัตรบันนี้เธอนั้นคุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละหล้วมอีกต่อไปแล้วดังนี้พุตรวจนะทำวินัยจากพุทธโอษ